ให้ทำตามที่ธรมาจะบอกให้คือรวมจิตให้เป็นสมาธิรวมจิตให้เป็นสมาธิให้มีอารมณ์เดียวไม่คิดฟุ้งซ่านไปนั่นนี่ให้คอยเฝ้าดู ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วก็ให้วางลงไปวางความไม่เที่ยงนัไปวางลงไปทาตามนะวางลงไปวางความยึดมัน่นถือมั่นลงไปสมถาะาหรือสมาธิ ทำกินให้เป็นสมาธิให้มีอารมณ์หนึ่งเดียวไม่คิดนึกฟูงสร้างไปในอารมณ์ต่างๆให้ดูซิว่าตัวตนของเรานี้เป็นอย่างไรเราเห็นเยอนี่ก็เป็นตัวตนของเราแต่บัญญัติธรรมของพุทธิย่าบอกว่าตัวตนอันนี้ ไม่ตกอยู่ในอำนาจของเราเราบอกว่าอย่าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นมันไม่เชื่อฟังมันไม่ตั้งอยู่ในวิวัฒมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เก็บตายออรเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เก็บตายอยู่เรื่อย นับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ท้วนที่พวกเราเกิดเป็นมนุษย์นี่กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งก็ไม่รู้ไม่สามารถกำหนดได้เลยว่ามากน้อยเท่าไหร่ท่องเที่ยวเวียนว่ายในจิวัตรสสงสารนี้เกิดแก่เก็บตายมานานเท่าไหร่เราก็รู้ไม่ได้ เราก็ฟังตามที่พระเจ้าสอนให้ทำสมาธิให้ทำวิปัสนาสมาธิปัญญาให้เห็นจริงให้เห็นตัวเรานี่เป็นของจริงตามที่พระเจ้าสั่งสอนคือความไม่เที่ยงนั่นเองความเป็นทุกข์คือทนอยู่ได้ยาก ความเป็นหน้าตาคือไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงอนหน้าตาไม่มีตัวไม่มีตนตาก็ไม่ใช่ของเราหูก็ไม่ใช่ของเราจมูกปากอะไรต่างๆไม่ใช่ของเราทั้งนั้นให้เราพงเสียพงจากใจเรา วันหนึ่งคือตัวตนของเราให้แก้แก้ไขไม่ให้มีตัวตนเพราะมันบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังมันไม่ตั้งอยู่ในโอวาทของเรามันก็ไม่เป็นของเราเราก็วางเสียวางอารมณ์นั้นเสียถ้าเราวางเราก็สามารถทำกิจให้หลุดพ้นจากกองทุกได้ ถ้าเรายึดถืออยู่ก็มันนี้ไม่มีใจเป็นของของตนมันไม่อยู่อับนาจของใจมันจึงเป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขต้องปฏิบัติธรรมจนสามารถทำนกักจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เพราะอาศัยปัญญาหรือปััชนาสมถะคือกำลัง กำลังนี้ถ้าละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีในการไปพิจารณาก็ง่ายขึ้นแยกตัวของเราออกจากกันลองแยกออกดูหนังเงื้อเอนกระดูอลองดูตัวเราเอาหนังออกเมื่ออาหนังออกแล้วก็มันดูไม่ได้แล้วมันน่าเกลียด พอเอาหนังออกแล้วมันไม่มีอะไรเลยนั่นตัวตนของเราอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่เนื้อเหรอไม่ใช่มันไม่อยู่ที่เนื้ออยู่ที่หนังเหรอมันก็ไม่ได้อยู่ที่หนังตัวตนหของเราเนี่ยมันสลายไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน มันสลายไปมันไม่มีใจเป็นของของตนเราจึงมาพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกได้แล้วก็ไม่หยุดให้ทำอยู่เรื่อยๆคอยเฝ้าดูจิตที่ไม่สงบให้มันสงบถ้ามันสงบแล้วก็ต้องมาพิจารณากายนี้อส่วนไหนที่เป็นของเราเมื่อเราตายไปแล้ว เราอการนี้ไปไม่ได้เลยเอาไปได้แต่ความดีกับความชั่วหรือเอาไปได้โดยบุญด้วยกรรมของเรามันตกต่ำถ้าไม่ปฏิบัติธรรมยิ่งตกต่ำลงไปอีกยุ่งที่สุดในโลกเลยตัวตว น, นนี้เนี่ยพายุ่งใจเนี่ยมายุ่งกับตัวตวนอีก มายึดมั่นถือมัน่นสําคัญหมายในตัวตวนอีกต้องแก้ไขตรงนี้แม่ให้มันยึดมันมนมดม่นถือมัน่นไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายและใจเองก็ตามให้พี่นายเห็นเป็นของไม่เที่ยงเอาหนังออกแล้วเอาเนื้อออกเอากระดูกเกะ ตัวตนขอาอยู่ตรงไหนหาดูสิว่าอยู่ตรงไหนตัวตวนนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่มันอยู่ที่หนังเนื้อหรือกระดูกนองพิจารณาหนไปมันไม่อยู่ที่ไหนเลยมันก็ดิ้โลนกระสับกระสายถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้าตายแล้วเขาจะผ่าจะฟันจะทํำอะไร หากแค่งอขามันก็ไม่มีทุกว่าอะไรเพราใจระวางแล้วกายนี้ก็ต้องเอาไปเผาทิ้งตายแล้วก็ไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว嘛 น, นี่ไปโลกสวรรค์กลับไปโลกอบายทาั้งศรีสัตว์ในโลกเปรตอสุรากายเราก็มายึดติดต้องแก้ไขความยึดติดของเรา ให้มันยึดติดต่อไปอีกให้มันวางวางอารมณ์ทุกอย่างวางทุกเรื่องเหลือแต่รู้คือเหลือแต่ใจนะ่งใจไปว่าผู้รู้หรือพูดโทษนั่ก็ู้รู้เหมือนกันผู้ตื่นด้วยผู้เบิกบานด้วยเบิกบานได้ด้วยธรรม ต้องเข้าหาความจริงมันถึงจะรู้เห็นชัดตามความเป็นจริงจิตถ้ามันไม่สมาธิมันมันนิ่งอย่างนี้หรอกมันเป็นสมาธิอยู่แล้วแต่เราจะเอาสูงขึ้นกว่า น, นั้นก็ได้ให้พิจารณาอย่างที่ยตมาว่านี่มันก็จะวางได้วางอาการสามสิบสอง ตาหูจมูกดินกายใจอาการสามสิบสองรองดหนังเอ็นกระดูกเกลือในกระดูก ม, ม้ามตับปอดไส่ใหญ่ไส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดูดิเอาส่วนไหนเรามาเป็นตนเอาส่วนไหนเรามาเป็นของตนมันไม่มีมันไม่มีตัวตนที่จะ ยึดถือแล้วก็วางวางความยึดความถือได้ก็ถึงความสุขพอใจเห็นว่าใจของเราเป็นสุขถ้าละเอียดลงไปได้มากได้ผลก็ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกก็ยังมีความสุขมากกว่านั้นดีทําอย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละมันจะสามารถทําจิตให้บริสุทธิ์ได้ให้จิตเข้าถึงหลักความจริงได้ตามที่พรธเจ้ทาทรงสอนไว้ได้ เพราะฉะนั้นอย่าถอยวันนี้หรือวันที่เราจะเอามันได้ให้ใจของเราเนี่ยมันนิ่งให้มันได้พิจารณาแล้วให้รูกก้แจ้งได้เห็นได้ในชั่วเวลาที่ไม่มากนักเราก็จะสามารถชําระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้จิตที่ไม่สบายให้เป็นจิตที่สบายขึย้นมาได้ กิดไม่เป็นสุขให้กิตเป็นสุขขึ้นมาได้นี่ลองดูสิถ้าเราหันไปสู้มันก็คนสู้เสือนะจะวิ่งเอาคอตีมันไม่ทันหรอกมันกัดคอเราเลยเราค่อยหาจังหวะถอยออกห่างๆตาเขามองจ้องที่เสือแต่ว่าตัวตนของเราก็ถอยกลับถอยไปถอยไปถอยไป เึ้นรถนี้ไปเลยเราจะไปสอสู้กับมันได้หรอือกิเลสไม่ใช่ธรรมดามันยิ่งกว่าเสืออีกกิเลสกว่าจะได้ออกจากใจเราได้โน่นน่ะเป็นพระอรหันต์น่นมันถึงหมดหมดกิเลสหมดความโลภความโกรธความหลงมันทรมันที่นาอย่าท้อถอย ให้เห็นสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละเอาพิจารณาอยู่แล้วนะพิจารณาอยู่แล้วให้เห็นความจริงอยู่แล้วเราก็ปล่อยวางคือวางเสียวางลงไปเลยถ้าปล่อยวางลงไปแบบนั้นแะ่ะมันใช้ได้ถ้าทำอย่างนี้มันสามารถชาระจิตให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้ ในต้นทางแห่งความดีในต้นทางแห่งมรรคผลนิพพานเราต้องทำอย่างนี้เราจะทำอย่างอื่นแล้วก็อย่าสงสัยว่าวิธีนั้นวิธีนี้จะดีให้เอาอันเดียวใจไม่สงบต้องบริกรมททรมหุดโธสงบแล้วต้องพยยิจารณาแยกแยะส่วนต่างของเราไปตาหูจมูกลิ้นกายใจ ส่วนไหนเป็นเราตาปเป็นเราเหรือจมูกเป็นเราเหรอลิ้นเป็นเราเหรือตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดนี่มันเป็นของเราเหรือใจถ้ามีกิเลสมากก็มีทุกข์มากใครเป็นทุกข์ก็ใจนั่นแหละเป็นทุกข์เลยก็อื่นไห่เป็นทุกข์ได้หรอก เรานี่แหละเป็นทุกข์อ่ะคือใจของเราเองเป็นทุกข์เพราะมีกายนี่แหละมันต้องยึดยึดถือนี่แหละมันถึงเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ถือแล้วความทุกข์จะเกิดขึ้นได้ไงมันคือดขึ้นไม่ได้ต้องไม่ยึดถือต้องปล่อยวางต้องมีใจมั่นคงต้องมีใจเด็ดเดี่ยว ให้แก้ไขแก้ไขออกไปจิตถ้ามันวางไปแล้วก็ให้ตั้งสติไว้ถ้ามันวางลงไปแล้วตั้งสติไว้สติกับกจิตอยู่ด้วยกันไหมไม่ตามไปยึดถือเอากายนี่อันนี้เป็นวิปัสสนาคือไล่เลียงดูว่าตัวต้นอยู่ที่ไหน อยูที่ตัวไหนคือตัวตนของเราเราเอาไม่ได้สักอย่างเลยจะเอาส่วนไหนเป็นตัวตนมันก็ไม่ได้มันไม่มีมันมีแต่ความยึดความถือของเราความยึดความถือและเอาความยึดความถือออกไปที่ทําอย่างนี้มันก็ถูกแล้วทําให้มันถูก ไม่ต้องยึดถือสิ่งภายนอกทั้งหมดให้เหลือแต่ใจรู้อยู่กับสติความรู้สึกะระลึกได้เท่านั้นตัวจนไม่มีใจเรามายึดถือเอาก้อนถาดอันนี้มายึดถือเอา ก็หลงไปว่านี่ของเรานี่ของเราเอตังมะมะเอโสหมะจะมิเอโส ม, ม, ม, มิอัตตาตินัถือว่าเป็นของเราทั้งหมดเราเป็นนั่นเราเป็นนี่อยู่ความคิดเถืออั น, นี้ทําให้เราถูกต่ําทําให้เราท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในี่ยจะทุสารยากมากที่สุดเลยทุกข์มากที่สุดเลยไม่ใช่ธรรมดา ของเที่ยวเวีนไหวตายเกิดมานับกลับนับกัดไม่ท้วนแล้วคนเกิดไม่ใช่ธรรมดามากมายตายก็เหมือนกันตายก็ตายไปเออมีความดีอยู่ไปสวรรค์บริสุทธิ์หมดโจ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายไปพ้นนิพพานนี่มันเป็นอย่างนี้ ใจเข้าถึงพันนี้ผ่านตายแล้วก็ไปพันนี้ผ่านไม่มาวดเวียนเดือดร้อนอยู่ในโลกอักี้หนีจากกองทุกได้ไม่ติดไม่ข้องในอะไรสักอย่างวางได้ทั้งหมดใจหลุดพ้นมีความสุขที่สุดในโลกที่เราฝึกมานี่มันเข้าทางแล้วให้ฝึกต่อไปเรื่อยๆ ภายในเจ็ดวันนี่ต้องจบใจเขาเราต้องจบช้องเห็นชาติความเกิดความแก่ความเก็บควา ม, ม, มตายนี่ชัดเจนเบื่อหน่ายขายความยินดีนานเอาให้มันจริงมันจังเขาปะอย่าให้มันถอยหน้าถอยหลังเราไม่อยากสู้เหนื่อยปวดแคงปวดขา โอ้จะประคุณเลยป ว, ปวดข า, าปวดขายงไงเนาะพโอดทนเอาสิมันปวดขาเพราะเรามีขาเนี่ยดูสัตว์ติงูมันไม่มีขามมีขาเลยจะไปได้มันก็ไม่ปวดขาแต่ตัวเรามีขามันถึงปวดขามีแขนมันถึงปวดแขนมีหนังก็เจ็บแสบ ไม่มีสาระอันใดนี่แหละพอใจเรามายึดถือแหละมันถึงเป็นอย่างนั้นถ้ามายึดถือไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมันปล่อยวางมันละความยึดมั่นถือมันได้มันถึงความสุขความเจริญถึงความยิ่งใหญ่ไพศาลในการที่เราเกิดมาในวัฏสงสารนี้เราสามารถทำกิจของเราให้มีที่พึ่งมีมากมีผลขึ้นมาได้นี่ มันไม่ใช่ธรรมดาเราย่นพพชาติได้ต่างๆเข้ามาหากันได้ให้น้อยลงได้ให้หมดไปได้การไม่เวียนว่ายายเกิดนี่แหละหลุดแล้วหลุดจากความทุกข์แล้วถ้ายังเวียนว่ายายเกิดอยู่ทุกต้องมีอยู่ทุกความเกิดก็ต้องมีทุกความแก่ก็ต้องมีทุกความตายก็ยังมีนั่น ให้คิดดูอย่างนี้เรามีเหรอเราจึงทุกข์ไม่มีไม่ทุกข์ทำไมว่างั้นอา้าวตันหามีเนี่ยทุกข์ก็ต้องมีตลอดเพราะความอยากยังมีความอยากอยู่ยังมีความต้องการอยู่ยังอยากมีพบมีชาติอยู่โอ้ยให้สบายใจได้ให้สบายใจได้เลย ถ้าเราทำถูกต้องแล้วมันสบายเลยมันชำระ ก, กิจที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้เลยเห็นชัดตามความนจริงเลยปล่อยวางได้เลยวางจากความยึดมั่นถือมั่นได้เลยมีความสุขมีความสงบมีความสบายหายความกังวลไม่ติดตรงไหนไม่อยู่ตรงไหน ราผุดให้เราดูสิสลา น, นี้ถ้าอีกร้อยปีข้างหน้าไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมันจะต้องซุดจบลงไปต้องมีการซ่อมกันอะไรต่างอันนี้ไม่มีใจของสังขารที่ไม่มีใจของก็ดำมีใจของคือมนุษย์นี่เป็นต้นนี่ก็ดำคือสัตว์เดี้ยงสัตทั้งหลาย มีใจครองก็ไปตามกันเหมือนกันมีเหตุเดียวกันคือความแก่ความเจ็คบความตายเหมือนกันพระราชามหากษัตริย์มีอำนาจมีบารมีที่สั่งสมมาแต่อดีตชาติได้เป็นกษัต ร, ริย์เป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์อยู่ได้อายุไขแล้วมกสิ้นไปเหมือนกันถึงความตายเหมือนกันเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่เกิดจึงไม่ตาย ถ้าไม่เกิดเนี่ยคือเข้าถึงพันนี้ผ่านไม่เกิดอีกแล้วแต่ถ้าเราใจยังไม่เข้าถึงพันนี้ผานใจเราก็ต้องมีทุกอยู่ถ้าใจเราหมดทุกหมดความยึดมั่นถือมั่นเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่ห้าหารเป็นใจที่เด็เดี่ยวไม่ถอยหน้าสวยหลังตั้งใจปฏิบัติเต็มที่ เท่านี้แหละเราก็สามารถชทำนกิจที่ไม่บริสุทธิ์นี้ให้บริสุทธิ์ขึ้นตามขั้นตอนแห่งธรรมให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นในเป็นพระสวดารันก็บริสุทธิ์ขั้นหนึ่งแล้วเห็นพระสกกิทาคาร์มีก็ขั้นหนึ่งแล้วเป็นอนาคามีนั่น ไม่มีอะไรที่อยู่ในโลกนี้ได้ตลอดกาลแต่ถ้าเราไม่ได้มักได้ผลไม่สมาธิไม่ได้ฌ า, านเราเกิดก็อยู่ในภูมันต่ําโคมเหลือดร้อนภูมิมีความทุกข์มากภูมิมนุษย์นี่ที่ว่าเราว่าสูกกส่ ก, กัรสู่การนี่มันหาไม่ได้หรอกเป็นโลกแห่งความหลงเป็นโลกแห่งความบุญที่วุ่นวาย พาะที่ท่านจะไปปฏิบัติแล้วก็จะไปอยู่ตามป่าทำอะไรอยู่คนเดียวสองคนก็อยู่กันไปในป่าไม่ต้องวุ่นวายกับโรคสงสารนี้คอยแก้ไขจิตใจของตนเองให้ดีขึ้นดีขึ้นจริงๆสามารถทำกิจที่ไม่หลุดพ้นให้หลุดพ้นได้จริงๆนี่เราก็ถึงความสุขความสบายหายวิสุข ก, กังวล ที่ว่าจะเกิดร้อยชาติพันชาติก็มันก็นับไม่ไหวแหละถ้าเรายังไม่มีมรรคผลมันก็ต้องเกิดต้องแก่เก็บตายไปองั้นที่จะให้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายนี่ไม่ไ ม, ม, น ม, มีนอกจากได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงหมดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอีกใจนั่นน่ะหมดความปวดความโลปความหลง แต่ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีโลงไม่มีอิจฉาเสียาไม่อยากดังอยากเด่นไม่อยากกระทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเราต้องทําตามคำสอนของคุณใจเยาอาจามาก็อธิบายคำสอนของคุณใจเยาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเพื่อแก้ไขจิตใจของตนเอง ให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพน้นให้ ถ, ถึงความสบายกายสบายใจให้ละความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ให้หวางใจลงไปเป็นบา่าวแล้วคอยพิจารณาแก้ไขจิตใจของเราให้มันดีขึ้นถ้ามันได้ขั้นนี้แล้วก็ทามันได้ขั้นต่อไปอีก อะไรสุราบันแล้วมันก็จะมีสักกิสาขามีก่อให้มันได้ให้วางให้ได้อันวางนี่แหละมันได้มันลจึงถึงความได้ความถึงของมันทําไม่วางมันละไม่ได้หรอกแล้วความรู้ก็ไม่ได้ความกูดก็ไม่ได้ความหลงก็ไม่ได้ถ้าเราได้บรรลุธรรมแล้วความรู้ความกูดความหลงความแก่ความตายมันหมดไปเลยเนี่ย ตายไปไนก็ตายมันไม่ได้วันไหวเลยแต่ถ้าให้หลุดพน้นนี่มันก็ต้องเดี๋ยวมาเกิดอีกเกิแก่ตายอีกอย่างนั้นแหละเป็นไปเป็นมาอย่างนั่นแหละเอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นเรต้องละความยึดความถือของเราเองให้ออกจากใจเราให้อยู่ในศีลให้อยู่ในสมาธิให้อยู่ในมรรคโยงเปร มีสมาธิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารนะถ้าให้จิตของเราอยู่กับอารมณ์เหล่านี้กับเรื่องเหล่านี้กับธรมรมเหล่านี้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นยังไงมันเกิดไม่ได้เพราะมัน枯หมดแล้วมันดากหน้าดากหลัง้ยหมดแล้วไปไม่ได้เพราะมันมีสมาธิอยู่แล้วไมเ่เห็นโทษเห็นทุกข์อยู่แล้ว เห็นความดีความช่วยอยู่ในใจแล้วเห็นความร้อนความเย็นอยู่ใน ใ, นใจแล้วเห็นความสบายไม่สบายไปอยู่ในใจของเราแล้วให้ตั้งเจตปฏิบัติให้มันดีชาระ จ, จิตให้บริสุทธิ์โดยการเข้าสมาธิก่อนได้สมาธิแล้วคพอพิจารณาพอพิจารณาแล้วก็เห็นความจริงพอเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็มายืนมัน่นถือมัน่น เมื่อไมายึดมั่นถือมั่นก็ไม่ต้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกจบกันเท่านี้เพียงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วดังนี้ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ย่าไปสนใจอะไรทํามันได้มันก็รู้ในใจเรามันสบายในใจนั่นแหละมันได้แล้วทําให้สบายมไม่มันไม่ได้หรอก ถ้ามันสบายหราถือว่าได้ได้ได้สิ่งที่ดีเกิดมาโลกนี้เราโชคดีที่สุดเราสามารถทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ขึ้นได้แม้ขั้นเดียวเขยังดีถึงความสุขความสบายหายกังวลได้เลยถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เลยเราปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่มันไม่ได้หรอกไม่รู้เรื่องอะไร เพิดเพลินอยู่กับโลกทีก่โลกเป็นแห่งความอุดความแก่ความหลงอะไรต่างๆเราเนี่ยแหละมันเอาแน่นอนไม่ได้เอาใจของเราเนี่ยหให้มันแน่นอนให้มันสงบลงไปสงบแล้วสงบอีกสงบแล้วสงบอีกเมื่อใจเราสงบแล้วทําอะไรต่อก็อให้พิจารณาต่ อ, อยแยกแยะส่วนร่างกายของเราต่อ ต่อไปอให้มันดีขึ้นให้มันวางได้ละเอียดขึ้นแต่ถ้าทําไม่หยุดก่ อ, อนตายเราต้องได้มากดแน่นอนถ้าไม่ได้ในตอนนี้ถ้าเราทําอยู่ไม่ไม่หยุดไม่หย่อนต้งได้ตอนในความสบายใจไม่ต้องมาทุกข์มายากในโลกวันนี้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติ อย่าทอถอยเห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญนี่แหละเรื่องสำคัญสำคัญของชีวิตคือการปฏิบัติธรรมนเองถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วใจบริสุทธิ์แล้วความสุข ม, มันจะไปไหนมันก็อยู่ที่ใจเราใจเราก็สบายเอาเกลียออกได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีกลับไปไม่ต้องโกรธใครหรอกแต่ไม่ตามแต่โลกนี้ หายเป็นแล้วก็แผ่ไม่ตามอดไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่วุ่นนี่วุ่นหนายกใจเราก็ไม่วุน่วนหายใจเาาราสบายใจเราสงบใจเราเยือบยินมันอยู่ภายในตลอดให้เราเห็นอย่างนี้แหละถึงจะหนีจากกองทุงได้ให้ต้องเจ้ปฏิบัติต่ตอไป